พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสี่อจเรียปูตรธรรมสูตรความน่าอัศจรรย์ในการประสูติของพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นาพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแหละภิกษุจำนวนมากกลับจากบินทบาทภายหลังฉันพัตหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันในหอฉัน ได้เกิดการสนทนากันขึ้นถึงเรื่องความอัศจรรย์ของพระตถาคตว่าทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตผู้ปรินิพานแล้วผู้ตัดปรปปัญจธรรมคือตัณหามานะทิฏฐิได้แล้วทรงตัดต่อแห่งวัตตะคือกรรมวัฏปฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศลครอบงำวัฏตะลวงถูกทั้งปวงได้แล้ว ทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นมีพระชาติมีพระนามมีโคดอย่างนี้เพราะเหตุอย่างนี้บ้างทรงมีศีลทรงมีธรรมมีปัญญามีวิหารธรรมทรงมีวิมุตต์อย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างภิกษุเหล่านั้นสนทนากันค้างไว้ครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากพระรสมาบัติทรงรู้ด้วยพระญาณถึงเรื่องนี้ จึงเสด็จไปที่หอฉันเรียกภิกษุทั้งหลายมาถามว่าสนทนาเรื่องอะไรค้างอยู่ข้อนี้เป็นธรรมเนียมที่แม้ทรงรู้แล้วแต่ก็ต้องถามก่อนภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบทั้งหมดจึงตรัสเรียกท่านพระอนุนให้อธิบายธรรมะอันน่าอัศจรรย์ของตถาคตเท่าที่ทราบท่านพระอานุนอธิบายโดยละเอียดถึงเรื่องที่สดับรับมาเฉพาะพระภาคพระผู้มีพระภาค เนื้อหาดูละเอียดเหมือนกันทุกอย่างกับมหาปรธานสูตรจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบประสูตรที่หนึ่งซึ่งขอสรุปย่อให้ฟังอีกทีดังนี้นะครับพระโพธิสัตว์หมายถึงผู้ฉลาดผู้จะตรัสรู้ผู้บำเพ็ญมรรคสีเพื่อบรรลุโพธิพระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตสถิตอยู่จนตลอดอายุ จึงจุดติคือตายจากสวรรค์ชั้นดุสิตจนถึงลงสู่พระขันของพระมารดาพร้อมเกิดแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้และสิบสหสีโลกธาตุคือนับเป็นหมื่นจักรวาล น, นี้สันสะเทือนเลื่อนลั่นท้ามหาราชสีองค์คือเท้าทัตรศจอมคนทันครองทิศตะวันออกท้าวิรุณหกะหรือท้าวิรุณหกจอมกุมพัน ครองทิศใต้ท้าวิรูปัก์จอมนาคครองทิศตะวันตกและท้าเวสว ร, ร์จอมยักษ์ครองทิศเหนือเข้าไปอารักขาพระโพธิสัตว์นั้นประจําทั้งสี่ทิศเวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระคันของพระมารดาพระมารดามีปกติทรงศีลไม่ทรงมีความรู้สึกทางการมารมณ์ เป็นผู้ที่บุรุษผู้มีจิตกำหนัดใดใดไม่สามารถล่วงเกินได้ส่งได้กามคุณห้าเ อ, อิบอิ่มร่างพร้อมไม่ส่งมีความเจ็บป่วยใดใดร่งมีความสุขไม่ลำบากพระวรกายมองเห็นพระพธิสัตว์อยู่ภายในพระคันมีอวัยวะสมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่บกร่องทรงพระคันครบสิบเดือนและประทับยืนประสูต์เท่านั้น เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้เจ็ดวันพระมารดาของพระองค์สวรรคตไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตข้อนี้คือพระมารดาทรงจุติจากเทพมาเป็นมนุษย์เพื่อเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าและเมื่อประสูติพระโพธิสัตว์แล้วจะไม่มีสัตว์ใดอาศัทยท้องนี้เกิดได้อีกจบกิจก็กลับขึ้นสวรรค์ไปเป็นเทพเหมือนเดิม พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดาไม่แปดเปื้อนด้วยสิ่งไม่สะอาดใดๆจึงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดมีทานน้ำปรากฏในอากาศสองสายคือทานน้ำเย็นและทานน้ำอุ่นเพื่อชำระล้างพระโพธิสัตว์และพระมารดาเท้ามหาราช ท, ทั้งสีช่วยกันประคองพระโพธิสัตว์ไปไว้เบื้องพระพักของพระมารดาเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้ครู่หนึ่ง ประทับยืนอย่างมั่นคงด้วยพระบาททั้งสองที่เสมอกันบนพื้นปัตตภีส่งผินพระพักไปทางทิศเหนือเสด็จดำเนินไปเจ็ดเก้าทอดพระเนตรไปยังทิศทั้งปวงแล้วทรงเปล่งอาศพิวาจาคือพูดอย่างองอาจว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปเวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดาแสงสว่างเจอจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นในโลกและสิสหสีโลกธาตุนี้สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งหมดเป็นข้อที่ท่านพระอานนนอธิบายให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้ฟังต่อหน้าพระภักพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนี้แหลเธอจงจำธรรมอันนาศจรัร์ของตถาคตนี้ไว้เถิดในเรื่องนี้เวทนาของตถาคตย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปสัญญาของตถาคตย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปวิตกของตถาคต ย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปอานนท์เธอจงจำธรรมะอันนาสจรยนของตถาคตนี้ไว้เถิดท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อที่เวทนาสัญญาและวิตกของพระผู้มีพระภาคย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปนี้ ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมะอันนาอัศจรรย์ของพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าค่ะท่านพระอานนท์ได้กล่าวคำนี้แล้วพระสัสดาทรงพอพระทยัยภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพาสิทธ์ของท่านพระอานนท์ดังนี้แหลจบอริยปุตตธรรมสูตร